ส่งทุกวันเหงินของฉันก็ให้อยู่แต่เธอเหมือนเป็นคนขี้ลืมลืมแม้คนที่ห่วงหาก็ดวงใจนี่น้อยนี่น้อยเฝ้าลมคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต้นช้าชาและควันตาไม่รู้ แล้แกลงหอกก็ฉันมันบานอกดวนเธอหลอกมาหลายปีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแปลงลอกเก็บแล้วคุณบังกอกดวนเธอหลอกไม่มีชิ้นดีอยากจะได้อะไรหามาตามกาธนานะ อ, อ, อยากไปไหนพาไปเสมอตามที่เธอสั่งมาก็ดวงใจนม่น้อยนีนยน่น้อยเฝ้าล้มคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต้นช้าช้และควันตาไม่รู้ไม่ชี้ ไม่รักแล้วแกลง้งหลอกก็ฉันนั้นบ้นนอกดวนเธอหลอกม า, มาหลายปีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลง้งหลอกเข็บแล้วคนบังกอกโวนเธอหลอกไม่มีชิ้นดี ดวงใจนม่น้อยนีย่น้อยเฝ้าลงมคอยรอเพอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต้นช้าๆและวควันปาไม่รู้ไม่ทีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลงหลอกก็ฉันนันบั น, นอกดวนเธอหลอกมาหลายปีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแพลงหลอก เก็บแล้วคนบางกอะโดนเธอลอกไม่มีชิ้นดีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลรอก็ฉันนั้นบันโง่โดนเธอลอกม า, าหลายปีแม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลรอเก็บแล้วคนบางกอะโดนเธอลอกไม่มีชิ้นดี สวัสดีครับท่านฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเรานําข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้นะครับมีการจัดเสวนานะรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายข้อมูลสาธารณะนะครับเมื่อวันที่ยี่ 13กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนะครับในคณะกรรมการประสานงานระวังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสพทมีการจัดเสวนา ร่างพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะพศนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐที่มุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะครับซึ่งนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนชคนที่หนึ่งก็เก่าเปิดการเสวนาวัดหลักการของ พอร บ, บอรข้อมูลข่าวสารสาธา ร, ารณะนี่ก็ต้องการให้ประชาชนนี่เข้าถึงการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะก็คือในส่วนงานของหน่วยงานภาครัฐถ้ามีโครงการก่อสร้างนะขนาดใหญ่มีโครงการพัฒนาในในพื้นที่นี่ก็จะต้องมีการเปิดเผยต่อประชาชน คือประชาชนเนี่ยสามารถที่จะหรือสื่อมวลชนเนี่ยไปขอข้อมูลมาได้นะครับว่าใครควบคุมงานใช้งบประมาณเท่าไหร่บริษัทไหนนะครับนะก่อสร้างนะครับนะเพื่อให้การบริหารงานเนี่ยเป็นเป็นไ ป, น ป, นปนตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้นั่นแหละครับนะแแะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็จะต้องมีการแยกระหว่างข้อมูลที่เป็นสาธารณะกับข้อมูลที่เป็นข่าวสารส่วนบุคคลนะครับซึ่ง ค่ะเป็นข้อมูลสาธารณะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการาพัฒนาในจังหวัดในในท้องถิ่นอย่างเช่นในในในพื้นที่ของของอบอตอของเทศบาล น, นะครับก็หรือว่าในในในท้องถิ่นเนี่ยนะครับในอบตเนี่ยสามารถที่จะไปสอบถามได้นะมาเผยแพร่มาม า, มาช่วยกันดูจริงๆแล้วก็มีองค์กรสื่อนี่สำคัญนะครับนะสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนมาเผยแพร่นะครับก็จะเป็นประโยชน์ชาบ้านก็จะช่วยดูอย่างเช่น การตัดถนนหนทางนะครับไปดูว่าเต็มนะฮะมีการก่อสร้างเนี่ยเต็มตรงตามแบบแปลนหรือไม่นะครับนะนะแล้วก็ใช้เหล็กเต็มไหมหรื อ, อความกว้างความหนาของถนนได้หรือไม่นี่ก็ชาวบ้านช่วยกันดูแล้วนอกจากนี้ยังมีในส่วนของคณ ะ, ะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนะครับซึ่งสังกัดสํานักนายงตรีเนี่ยคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนี่ก็ มีทั้งในส่วนของตัวแทนอของอภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับนหน่วยงานราชการบ้างนักวิชาการรวมทั้งในส่วนของอนักธุรกิจหอการค้าสภาวสาหกรรม เ, เป็นตัวแทนเข้าไปแล้วก็ร่วมกันในการที่จะไปะติดตามตรวจสอบโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของของรัฐนในพื้นที่จังหวัดก็มีอยู่ทุกจังหวัดก็ทําหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งนะครับก็เป็น เป็นเป็นตัวแทนนะครับนะก็ก็เป็นเรื่องอมีการปรับปรุงกฎหมายข้อมูลสาธารณะให้ทันสมัยโปร่งใสามากขึ้นประชาชนก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ทำในส่วนนี้สนชสปทก็ทํากันอยู่ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของออการสร้างความปลองดองเนี่ยนะครับในส่วนของกลางโหมนันเป็นเจ้าภาพในนามของคณ ะ, ะ, ะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปลองดองสามัคคีปลองดอง จากการเปิดเผยของพลตรีคงชีพนะตันตะกูลวานิศซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมในฐานะโฆษกนประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อสร้างความสามาัคคีปองดองก็เปิดเผยว่าจะมีการมีการในช่วงวันที่2 0 2 0ถึงกุมพามีการเชิญตัวแทนพักเล็กมาสะท้อนมุมมองนะครับอย่างเช่น พรรคประชาสามัคคีพรรคประชาธรรมพรรคประชาชีปไตยประชาชนพรรคปฏิรูปไทยพรรคคนกีฬาพรรคเพื่อชีวิตก็มาสรุปแนวทางเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องของอมุมมองว่าจะสร้างความปองดองจะสร้างการปฏิรูปยังไงเนี่ยนะครับซึ่งมีการสะท้อนมุมมองนะครับนะว่าที่ผ่านมา มีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็รับฟังความคิดเห็นจากในส่วนของพรรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าในวันที่24กุมภาพันธ์จะเชิญพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคั ก, กท้องถิ่นไทยพรรคไทยรักธรรมนะครับนะเข้ามาร่วมนะครับมนาะมาร่วมให้ความเห็นนะครับนะว่าจะแก้ไขปัญหาจะสร้างความปองดองกันกันได้อย่างไรก็รับฟังความเห็นแต่ต่อไปก็คงจะถึง ประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วครับซึ่งเป็นพรรคใหญ่นะครับแต่ที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะนำไปนำเสนอต่อคณะ ก, กรรมกา ร, น ะ, รนะครับที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับในส่วนของนายมีชัยริชุพันธ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการล่างรับนูล น, นะครับก็ได้เก่าปาตกกาพิเศษเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ นะฮะทำไมต้องปฏิรูปว่ า, ามีการบอกว่าในร่างรัฐนูนกำหนดสิทธิหน้าที่แก่ประชาชนนะครับให้มากขึ้นต่อการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลของรัฐนะครับให้มีส่วนร่วมในเรื่องของการาดูแลบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องร่วมมือกันนะครับเข้าไปตรวจสอบการทำงานของของข้าราชการของหน่วย ง, งานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นนีพ่พรบข้อมูลข่าวสาร ก็จ ะ, ะทำให้ในส่วนของหน่วยราชการเนี่ยทำงานอย่างโปร่งใสนะตรวจสอบได้นะก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อนะครับนะที่นายมีชัยให้สัมภาษณ์กรณีเกี่ยวกับเรื่องอที่มีการพยายามล่างพรบรคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับนะซึ่งนี่ในส่วนของสมาคมนักข่าวสมาคมสื่อเนี่ย คัดค้านกันมากเนี่ยก็ยังนายมีชัยบอกยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับต้องอต้องไปดูนะครับเพราะเพราะในส่วนของอราง่างรัฐมนูญฉบับผ่านประชามาตินี่ก็ยังพูดแต่เรื่องจรรยาจัญญาบันของสื่อนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการควบคุมสื่อนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องแยกกันให้ออกนะเป็นทัศนะของประธานกรทที่ต้องต้องไปติดตามดูว่าในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่อง การยกล่างพรบรคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานของวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับเป็นที่น่าสนใจกันอยู่มาลับฟังเพลงก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อครับ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 เสร็จจากงานเมื่อใดเธอรีบไปหายังไม่ลืมวันที่จากมาสุดเวลาน้ำตายังเพื่อนเปียกหมอนหลับยังฝันทุกคืนตื่นหวงหาหัวใจอาวอน งามงดเจ้าจะรับฝันถึงกันหรือปล่านานจะนานแสนนานเพียงไงไม่วันขอให้เธอ จะไม่อ่อนแอ ที่จากมาสุดเวลาน้ำตายังเตื่อนเปียยนมนหลับยังฝันทุกคืนตื่นห่วงหาหัวใจอาวอนหัว ง, งามนอนจาจะลับฝันถึงกันหรือปลา่านานจะนานแสนนาน ขอให้เธอรักฉันรักมันสองเราเติมแต่งความคํานึงคิดถึงกันคำชาส่งขภาพรักเราจะไม่อ่อน มาคุยกันต่อนะครับนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในแต่แต่ละด้านนะครับรองนายกนะสมคิดจตุสีพิทักษ์เนี่ยไปกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Push Forward นะส่องเศรษฐกิจ 4.0 ปีไก่ทองนะครับจัดโดยหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนะซึ่งก็ในส่วนรองนายกเนี่ยนะครับบอกว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมของคอรมอในวันที่28กุมภาพาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดานะครับสำหรับบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาทำงานในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยก็จะเสียภาษีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ น, นะครับแล้วก็จะผลักดัน ในส่วนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับนะหรือบางคนก็เรียกว่า Eastern Seaboard อะไรก็แล้วแต่ละครับนะก็จะผลักดันกันต่อไปนะครับโดยในส่วนนี้นี่อีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์เนี่ยนะครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอให้คลเรม พ, พ, พิจารณาแผนการผลักดนันการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมซึ่ง แบ่งเป็น2 อ, อย่างก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับนะจะพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวัอนออกรวมทั้งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะครับนะในพื้นที่ภาคตะวัอนออกคือรัฐบาลในพยายามจะเอาหุ่นยนต์นะครับเอาหุ่นยนต์มาแทนแทนคนนะครับในการอุตสาหกรรมบางบางประเภทอย่างเช่นอุตสาหกรรมต่อผลิตรถยนต์เนี่ยแหละครับนะใช้หุ่นยนต์มานะครับซึ่งตรงนี้ในรัฐบาลยัง มุ่งที่จะพัฒนาอีสเทนซีบอร์ดอยู่นะครับนะก็เพื่อที่จะแข่งกับนี น, นคมอุตสาหกรรมของเวียดนามที่โฮจิมินนะครับนะแล้วก็มีของพมา่านี่ก็มีนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนี่อาจจะตามไม่ทันนะครับนะรวมทั้งการลงทุนตอนนี้เนี่ยในส่วนเพื่อนบ้านก็ไปไกลแล้วนะครับนะเราก็คงจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นการลงทุนในภาคตอนออกอย่างเช่นการเปิดสนามบินอุตเภา นะครับให้เป็นสนามบิน เ, เชิงพาณิชย์สนามบินนานาชาตินะครับพัฒน า, าท่าเรือจุกสเสม็ดนะครับพัฒนารถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาซึ่งรองนายยนตตีก็บอกว่าจะผลักดันต่อนะครับรัฐบาลแล้วก็ตอนนี้นี่ก็มีนักลงทุนในหลายกลุ่มก็สนใจจะมาลงทุนในในอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับในการที่จะมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่ง ตรงนี้คงจะต้องออรัฐบาลนี้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใ น, ในกลุ่มนี้แล้ครับนะ ใ, น ใ, นในภาคตอนออกนะครับซึ่งก็ต้องพักดันควบคู่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะทางการค้าตามแนวชายแดนซึ่งก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะทางภาคอีสานนี่ก็จะเน้นที่หนองคายนะที่เชื่อมกับลาวแล้วก็ที่มุกดาหารล้วกันะนะที่เชื่อม ถนนไมาเลขเกนะ้าะเชื่อมลาวแล้วก็จะไปเวียดนามก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะนออกก็จะมีแถวอรัญญาประเทศนะครับนะ่ยที่อรัญญาประเทศแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะครับนะจุด1นึจุดนะครับนะแล้วก็จะมีแม่สอดนะทางภาคเหนือนี่แม่สอดที่จังหวัดตรากแล้วก็ในส่วนอของการชนบุรีนะครับนะซึ่งก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ นะครับที่จะเชื่อมโยงกับพมา่าเพราะฉะนั้นเราต้องต้องตามให้ทันแล้วครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็เริ่มที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนี่ขึ้นมาแข่งกับไทยเราแล้วนะครับคงจะต้องพยายามที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะสร้างตำแหน่งงานให้กับประชาชนนะครับนะให้ให้มีงานทำไรายได้ก็จะ เพิ่มมากขึ้นก็จะเศรษฐกิจก็จะจะฟื้นนะครับนะว่าจะทำอย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในในส่วนหน้าแรงเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะมีปัญหาภัยแรงเนี่ยนะครับนะกันมากซึ่งตรงนี้นี่คนเอกชัดชัยสาริกัญญาแลธำนตรีกรเกษตรและสะกสารก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแรงปี5960นี่บอกโกมุตุนิยมวิทยา กรมชนระฐานคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงเกิดภายแรงทั้งหมดประมาณหนึ่งอห้าอำเภอสา34จังหวัดนะโดยจะรุนแรงมากที่สุดในสามอำเภอคืออำเภอวัฒนานคร ere, อำเภออารัญญประเทศและโคกสูงจังหวัดสักแก้วนะซึ่งก็อยู่ในสักแก้วทั้งหมดลครับนะนะซึ่งสามอำเภอนะครับซึ่งมีจะจะ แห้งแรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้เนื้อขดคงจะต้องทุ่มลงไปช่วยเหลือแล้วครับนะเพราะตอนนี้นี่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายแล้วประมาณหนึ่งแสนไรนะครับในในพื้นที่ของสามอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นตรงต้องหารือกันละครับว่าจะช่วยเหลืออย่างไรในใ น, ในช่วงหน้าแรงในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทํากา ร, กรเกษตรเนี่ยก็ อ, อาจจะไม่เพียงพออาจจะพอแค่การน้ําอุปโภคบริโภคเท่านั้นเองนะซึ่ง ตรงนี้นี่ต้องต้องพยายามที่จะแก้ไขแล้นะจะสร้างพัฒนาหนองน้ำนะครับสาธารณะหรือว่าเกี่ยวกวับเรื่องของอ่างเก็บน้ำํำนะเพื่อให้มีน้ําให้เพียงพอกับหน้าแรงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ประสบปัญหาภัยแรงแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกวับเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคนะโดยใ น, ในจังหวัดใหญ่หญนี่เขาจะต้องต้องดูนะครับแล้วก็มีการเตรียมแผน ที่จะลดความเสี่ยงภัยแรงนะครับนะซึ่งก็มีมาตราการกระทรวงเกษตรนะครับจะต้องเป็นเป็นประธานเป็นผู้ผักดันนะครับในในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับนะการลดการทํานาปลังนะจะทําอย่างไรนะครับนเนือว่าอาจจะมีการพัฒนาพื้นที่การทําเกษตรที่ใช้น้ําน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องดูประกอบกันในการวางแผน ส่วนสถานการณ์การเพราะปลูกพืชฤ <c oughs> ดูแล้งเนี่ยนะครับในปี5960อ่าไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปังพืชไร่พืชผักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศนะก็จะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ9 000, 000, ล้านไร่จากแผนที่กำหนดไว้ประมาณ12 000, ล้านไร่ก็ก็ลดลงนะครับนะลดลงเพราะว่าถ้าปลูกทำนาปลังมากเนี่ยก็จะทำให้การใช้น้ำนี่สูง ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการาแบ่งปันน้ํานะครับนะใ น, ในช่วงนี้เรื่องการบริหารจัดการน้ําที่สําคัญนะครับในในใ น, ในรุ่มน้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นรุ่นน้ําที่จะต้ไปหล่อเลี้ยงกรุงเทพเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแผนให้ดีนะครับเพราะว่าประชาชนนี่ทำท ำ, ทำนาปลังกันมากกว่าจะแก้ปัญหาไขาปัญหากันกันอย่างไรนะครับเพราะฉะ น, นั้นตรงนี้นี่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการ บริหารจัดการน้ำนี่ในเครือข่ายของปราชาวบ้านนี่มีการเสนอ น, ะนาปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงมานะครับคือมีการขุดหนองน้ำหรือว่าสะน้ำในในไร่นานะครับนะแล้วก็นาน้ำเหล่านั้นมาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับนะหมุนเวียนกันไปนะครับนะแล้วก็มีการทำการเกษตรแบบประนีตคือเน้นพืชที่ใช้น้ำน้อยหน่อยนะในช่วงของหน้าแล้งนะทาเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงนะครับนะหมูเลี้ยงอะไยในพื้นที่เดียวกั น, นับซึ่งตรงนี้ในในส่วนของประหาชาวบ้านเนี่ยมีการนำเสนอโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของการทำกรเกษตรที่ใช้น้ำน้อยกันอยู่ซึ่งถ้ามีการนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์นะครับในในเรื่องนี้นะครับก็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 จำคืนวันนั้นได้ไหมเหล่าเคยมีสองเรานั่งยิงพิงไฟเรายังคงรักกันสดใสถึงตัวอยู่ไกลหัวใจไม่ห่างกัน ฟ้าที่หมดา ว, วอนสาวยันได้เปลี่ยนใจพี่นี้ยังห่วงหยวันใจชายได้เกี่ยวพันวันเวลาแม้ฟ้าเปลี่ยนสี ไม่ทำให้ใจของพี่เปลี่ยนพันคำว่าจะสัญญาคุมันเส่อตรงต่อกันรักมันเพียงเธอรอจงรอถึงวันรวมสร้างคอยวันรวมทาง เพียงค้างเสมอใจดวงเดียวรักจริงแต่เธอไม่ยอมให้เปลือยเพลิดเพลินวอนฟ้าที่ห่มดาววอนสา ว่อนฟ้าที่ห่มดาวก่อนสาวเ่ยันไดเปลี่ยนใจพี่นี้ยังห่วงใยวันใจชายไดเกี่ยว